หนึ่งเหตุุทุกกะหกสิบแปดอุปาทานะโคจกะสี่สิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจใจมีกลาวว่าละถึง อวิคตาปัจจัยมี9ก้าวาระยอ่อหนึ่งเหตุทุกกะเจ็สิบสี่กิเลสจากโคจกะสี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อหนึ่งเหตุทุกกะ แปสิบสองปิติทุกขะ 42. สี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสโดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึงมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตาปัจจัยมีสามวาระสีสสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปจัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื tomb, ้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้อง บ, ง บ, งบนสเกิดขึ้น <ilate clicking fingers> เพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธ hey, ิปฏิปัจจัยมีสามวาร ะ, าร ะ, าาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สีสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพระาะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัค อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระละถึงสหาชาติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสีสหสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ทุกป you ัจจัยย so to totally like ่อ47สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัจร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตาตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 ยอเหตุ he ul, ปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสองเหตุกะทุกะเป็นต้นหนึ่งเหตุ ul, ทุกะสีสิบแปสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ul, ปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ49สภาวธรรมที่สัมพยุทธิเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุทธิเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอายตวะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจ응ัยมีห้าวาระเหมือนกับเสตุกะทุกขาห้าสิบ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 สภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิบิวจากเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใ จ, จยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุ ก, กะสุดท้ายมีไม่ได้เจดึงสิบสามจุลันตะทุกะหนึ่งเหตุทุกะ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 เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยม th ีหนึ่งวาระสังคตะทุกละเหมือนกับสัพพิยะทุกละห้าสิบสามสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที <mister ius> <grace> ่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอะรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบสี่สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระสภา ว, วะธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภา ว, วะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิด <worldly> ขึ้นเพราะเหตุปัจใจ ย, ย่อเหตุปัจใจมีสามวาระอรมณะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามวาระห้าสิบห้าสภา ว, วะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุ อาใย <io> สภาวธรรมที Th. Th. Th. ่ไม่เป็นร so ูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเจวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาใยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยในที่คำนวณมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิหสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิียซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งมีใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสสิเจสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีกลาวาะ 14. อาสะวะโคจกะ 1. เหตุตุทุกะ 58. สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะซึ่งไม่เป็นเหตุ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 59สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวะปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, า ะ, จจาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อหนึ่งรอยสรณทุกะหนึ่งเหตุทุกะหกสิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุที่สักรองให ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุ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 วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระยอ100ร่อหนึ่งรสารณทุกะสองเสหตุกะทุกะห1สิบเอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหกสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่มีเหตุ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 ละถึงวิปากรปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระหนึ่งสารณาทุกกะสเหตุสัมยุญตะทุกกะหกสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมยุญที่เหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมยุญที่เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย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 อรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาตะปัจใจมีสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีสี่วาระหนึ่งร้อยชรณะทุกกะสี่เหตุเสหุุกะทุกกะหกสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งไม่เป็นเหตุและ besar, ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากาปปะใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อย เหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกะย่อหนึ่งร้อยสระณทุกกะหหน้าเหตุสเสหตุกะทุกกะหกสิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ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 ปานิ стати, chalk, สยะปัจจัยมีหนึ่งวาระหกสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยปรุงแต่งย่อหกสบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึง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 ย่อปรมาณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปาเนสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระเจสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย yeah. ย่อเหตุปัจ <alto> จัย uh, มีห <Far> นึ yeah. ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นรูป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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นโลกีะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นโลกีะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวารนะอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ nos. ให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งไม่เป็นโล ก, กุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจสสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งจิต บ, บางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่จิต บ, บางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจัยมีห้าวาระ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 ละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้อยสารณะทุกกะสิบสี่อา จ, จะวะโคจะกะเป็นต้นเจ็ดสิบสี่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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเจ็สหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัองรห้ซึ่งเป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัองไห้ซึ่งไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง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 อธทิปติปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสองวาระ8ปสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นจิต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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้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 แปดสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งรักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งรักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รักคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยย่อเหตุถูกปัจจัยมีสองวาระละถึง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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคัตตปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตาวาระปัจญะวาระนิสยวาระสังสัทธวาระ และสัมบุตะวรระเหมือนกับปฏิจจาวรระปัญหาวาระเหตุปัจจัยและอรมณะปัจจัย8ปสบปสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า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 อธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียุทธาระแปสบเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจัจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยรมณะปัจใจสหชาตะปัจัยอุ ป, ปาเสยปัจัจและปัจฉาชาตะปัจัยย่อ เนเหอตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเนอารรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงโนอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเนอารรมณปัจจัยกับเนเธอตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อธรรมณะปัจจัยกับเนเธอตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะอนันตรบทเหตุปัจจัยและอนันตรปัจใจเก้าสิบ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 เป็นปัจจ no ัยแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยนันตระปัจจัยย่ออานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปปนิสยาปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจียุทธาระ92สองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตวรลองให้ซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัร้องให้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอุปนิสสปัจัยจและปุเรชาตะปัจัย สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไายซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไายซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอุปาณิเสยปัจจัยย่อณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอรมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงณอุปาณิเสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระละถึง โนอวิคตะปัจจัยมีสองวาระน่เหตุปัจจัยกับอุปาณิเสียปัจจัยมีสองวาระย่ออุปาณิเสียปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ ประธานตั้งแต่อนุโลมทุกกะดุกกะประธานจนจบมีประมาณสามสิบพานวาระธรรมะปัจจญญานุโลมทุกกะทุกกะประธานจบปัจจญญานุโลมประานจบประานะนักปกรณจบบริบูรณ์พระอภิธรรมปิดกจบด้วยคำมีประมาณเท่านี้บุญใดเป็นอันมากที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขวนขวายแล้ว ขอถวยเทพทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญนั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ผู้ประสบภัยจงเป็นผู้ปราศจากภัยและผู้ประสบความโศกจงเป็นผู้ปราศจากความโศกถึงความกระเสมเถิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีพระกําลังและพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีกําลัง อันหนึ่งด้วยเดชแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าขอผูกการรักษาไว้โดยประการทั้งปวง